พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดในพบของเท้าสกะเทวราชจอมเทพครั้งนั้นธรรมมาสพสมัยครั้งที่สองได้มีแก่เทวดาแสนโกรธครั้งพระเจ้าสุนันทจักพัทตริราชเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสัมพุทธเจ้าก็ทรงลั่นพระธรรมเพรีอันประเสริฐสูงสุดนะนะเกี่ยวกัลั่นกลองคือการประกาศอริยสัจนั่นเองครั้งนั้นขาราชบริพานตามเสด็จพระเจ้าสุนันทจาจักพัทตริราช มีจํานวนเก้าสิบโกดชนเหล่านั้นก็ได้เป็นผู้บวช ด, ด้วยเอหิภิคุอุปสัมปทาทั้งหมดไม่เหลือเลยสมัยพระมงคลพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันนิบาตการประชุมสาวกสามครั้งครั้งที่หนึ่งเป็นการประชุมสาวกแสนโกดครั้งที่สองก็เป็นการประชุมสาวกแสนโกธครั้งที่สามเป็นการประชุมสาวกเก้าสิบโกดครั้งนั้น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 พระพุทธเจ้าพระตถาคตเสด็จออกพิเนศกรมจากกรุงกบิลพัทที่น่าเรื่นรมทรงตั้งความเพียรทมทุกขกิริยาหปีใช่ไหมพระตถาคตทรงประทับนโคโต้นอชาปาละนิโครดทรงรับข้าวมาทุ ป, ปายาเสด็จเข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระก็มีผู้พยากรณ์เบ็ดเสร็จและอนาคตท่านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น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 ก็ถามใจเอาตัวเองแล้วกันถ้าจะมีผู้พยากรณ์เราเนี่ยควรจะพยากรณ์ว่าอย่างไงได้ด็ดได้ดีสมควรแก่เหตุแก่ผลน่ะนะคุยด้วยใจตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิชาเดียวที่ว่าคุยกับใจตัวเองเอากันแล้วกันว่าจะเอาแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะเข้มาก็เป็นคนไปอ่านให้ฟังกลับมาที่พระพุทธเจ้ามังคละพยากรณ์พระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ว่า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 ท่านผู้นี้จะมีพระชนนีพระนามว่ามายาจะมีพระชนกพระนามว่าสุโธตนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะจกมีคู่อักระสาวกชื่อว่าพระโกริตะและพระอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพุทธอุปถาชื่อว่าอนันทะจากบำรุงพระชินเจ้าผู้นี้จกมีคู่อักระสาวิกาชื่อว่าเขมพระเขมาและพระอุบลวรนา ผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นต้นโรพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอสัตพฤกจกมีอักขระอุปถากชื่อว่าจิตตาและหัตถะละวกะจกมีอักขระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคดมพุทธเจ้าผู้มีพระยศนะผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุประมาณร้อยปี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 เราฟังพระดํารัสของพระมังคละพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ยังจิตให้เลื่อมใสามากขึ้นเลื่อมใสายมากเลยนะอธิษฐานวัดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นบําเพ็ญบารมีสิบให้เต็มบริบูรณ์ไม่ใช่ได้รับพุทธภรรยานะกลับบ้านไปนอนก่อนเดียวก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะนอนรอเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะกลับไปภาคเพียรสร้างบารมีให้หนักกระกาวนะนะบอกอู้ยังไงโยมก็ได้บรรลุก็เลยอุ่นใจกลับไปนอนบ้านอยู่ใช่ๆเลย ไ, ได้บรรลุแน่นอนนะ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 มีพระชนกคือพุทธบิดานามว่าพระเจ้าอุตระพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางอุตราไปชาวเหนือหมดเลยนะพระองค์ทรงครองคารวะวิสัยอยู่9ก้าพันปีทรงมีปราศาสตรโยอดเยี่ยมสามหลังชื่อว่ายศวาสุจิมาสิริมาทรงมีพระสนมนารีประมาณสามหมื่นท้วนมีพระอัครเมเหสีพระนามว่ายัศวดีพระโอรสพระนามว่าศิวลี พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีสเสด็จออกอภินิษฐสตรมด้วยยานคือมา้าเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเลยนะพระุทธเจ้าของเราสเสด็จด้วยยานมา้ากักรตกะทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปด เ, เดือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเท่าไหร่สิบเดือนนะพระพุทธเจ้าองค์นี้แปดเดือนพระมหาวีระมังคละพุทธเจ้าผู้นำโลกผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าผู้สงบอันพรหมทูลอาราธนาแล้วก็ทรง ป, ประกาศพระธรรมจักเรเสด็จจาริกไป พระมงคลพุทธเจ้าผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัคระสาวกชื่อว่าสุเทว ะ, ะพระธรรมเสนะนนนะมีพุทธอุปถาคชื่อว่าพระปาริตะทรงมีพระอัคระสาวิกาชื่อว่าศีละวาและพระอโศกาไม่โศกะนะพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นนาคาหรือต้นกากระทิง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 นะยากนะเพราะทั่วทั้งโลกในคลื่นไม่ใช่น้อยเลยนะชั้นใดสาวกของพระพุทธเจ้าก็มากมายฉันนั้นพระมังคลสาสัมพุทธเจ้าผู้นําโลกยังดํารงอยู่ตราบใดศาสนาของพระองค์ก็ไม่มีการตายของสาวกผู้ยังมีกิเลสตราบนั้นก็บอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่นะบอกว่าสาวกของพระองค์แบบตายแบบโสดาบันสกทาคามียนาคามียนี่แทบไม่ได้ยินเลยว่างั้นเถอะ ไม่ได้ยินเลยนะเพราะมีแต่พาดหันเท่านั้นแหละที่ปริณิพัมเพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีปกติไม่ชื่นชมพบเนี่ยนะก็มีอย่างคล้ายๆสมัยพุทธกาลมีพระเทเรรูปหนึ่งท่านเป็นพระอนาคามีท่านก็ขวนขวายน้อยแล้วโอ้ยอุ่นใจแล้วเราเป็นพระอนาคามีแล้วโน่นปริณิพานในพรหมโลกพอคิดอย่างนี้จบพทธเจ้าสเสด็จมาเลย น, นะก็แสดงธรรมนะว่าอย่าพอใจยอยู่แค่นี้เนี่ยนะเสร็จแล้วก็นะก็มีการเปรียบเทียบ ว, ว่าพบทั้งหลายก็เช่นกับอุจจาระนั่นแหละ แล้วก็พระพิโสรูปนั้นฟังธรรมก็ภาคเพียรพยายามบรรลุปเป็นพระอระหันต์มันก็เรียกว่าไม่มีการตายแบบผู้ที่ยังมีสังโยชน์เหนนถ้ายังมีใจเกาะเกี่ยวไม่สมควรตายเหมือนกันนะพระผู้มียศใหญ่พระองค์นั้นทรงชูประทีปธรรมประทีปคือแสงสว่างคือปัญญาเนี่ยนะหรือโพธิปัจขิยธรรมยังมหาชนให้ข้ามโอเะสงสารรุ่งเรืองแล้วก็เสด็จดับขันปรินิพานเหมือนดวงไฟใหญ่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 ก็หมายว่ารุ่งเรืองแล้วก็เสด็จดับขันธ์พะปรินิพานเหมือนกองไฟใหญ่ประดุดดวงอาทิตย์อัสดงคตเนี่ยนะนั้นเวลายามพลบคล้ำเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานเหมือนฉันนั้นพระมังคลาพุทธเจ้าปรินิพานนาอุทยานชื่อว่าเวสระชินะสถูวปของพระองค์ณอุทยานนั้นสูงสามสิบโยชนะเจดีย์สูง30มนะสิโยชน์น ก็ถือว่าใหญ่มากนะก็เหมือนว่ามองเห็นภูเขาลูกหนนะึ่งนะภูเขาลูกใหญ่ๆเลยนั่นแหละส่วนรายละเอียดในอัตถกถาก็ขอพักสักครู่ก่อนนะเิ้าค่